พระธรรมเทศนาแผ่นที่68ดลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่5พฤศจิกายน2557มีชื่อเรื่องว่าเลี้ยงใจให้มากกว่ากาย วันนี้เป็นวันที่ห้าพฤศจิกายนพุทธศักราช257หเมื่อวานคณะสงฆ์และคณะสตาญาติโยมผู้เกี่ยวข้องได้มาประชุมกันหารือเกี่ยวกับตั้งมูลนิธิวิริยะศิลวันคือวิริยะเป็นคุณ พ่อของท่านองค์มนตรีด็กเตอร์เฉาที่ท่านถวายเพื่อจะตั้งเป็นมูลนิธิที่วัดป่านาคำน้อยของเราพระนั้งขอแจ้งข่าวให้พวกเรารับทราบว่าวัดของเราเนี่มีมูลนิธิชื่อว่าวิริยณศีลวันเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาจุดประสงค์ของ ตัวของท่านเองท่านบอกว่าท่านมองเห็นไม่มีอย่างอื่นที่จะทําให้พุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืงรองและเข้าใจกันได้นอกจากทำคําสอนเพรา ะ, ะนั้นท่านจึงเน้นมูลนิธินีน้จะเน้นเรื่องทำคําสอนของพระพุทธเจ้าในอันดับหนึ่งแล้วก่อนเน้นธรรมเทศนาของหลวงปู่มั่นที่ต้นตระกูลของพระกรรมฐานทำคําสอนของท่าน สอนอยู่ณนะที่ใดทินใดที่ใดองค์ไหนที่ได้รับทราบมาแล้วก็จะมารวบรวมเป็นพระธรรมคำสอนจากนั้นก็ธรรมเทศนาหรือว่าธรรมคำสอนธรรมเลขิตของหลวงปู่ขาวอนารโยวัดธรรมกองเพลงและวก็วัด อ, องค์หลวงตามหาบัวธรรมเทศนาของท่านหรือว่าซีดีของท่านเสียงของท่าน ของหลวงตามหาบัวแล้วก็ของหลวงปูชาสุพัทโทวัดหนองป่าพงรรมรดกิีต่ตรงไหนที่จะเกิดประโยชน์ก็จะมาเอามาพิมพ์หรือว่าเอามาทำเป็นแผ่นเสียงเพื่อแจกให้กับพี่น้องประชาชนผู้ชนผู้สนใจในธรรมแล้วก็ของหลวงพ่อด้วยในส่วนหนึ่ง ถ้าหลวงพ่อจะพิมพ์หนังสือเรื่องว่า MP3 ที่จะเกิดประโยชน์ก็จะจัดการเรื่องเอามูมนิธินี้เอามาช่วยแล้วก็คณะกรรมการก็หลวงพ่อเองก็ได้พิจารณาดูว่าเราควรจะเอาองค์ไหนที่คณะกรรมการเห็นว่าเกิดประโยชน์เป็นทางเผยแผ่ธรรมะเข้าสู่พี่น้องประชาชน อย่างหลวงปู่ล่าอย่างเนี้ยหรือหลวงปูช่ชิงทองเนี่ยเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตาอย่าคำไหนพูดไหนกันไหนที่จะเกิดประโยชน์พวกเราก็อาจจะพิจารณาเป็นขั้นตอนให้เกิดประโยชน์ในการแนะนำสั่งสอนหรือว่าเป็นท ร, รมาเลกทของท่านอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่เมื่อวานนี้ก็ได้โอนจ่ายค่า MP3 ไปแล้วทั้งหมด เป็นเงินแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทคณะัาติไยยาูม MP3 ของเราไม่ใช่ได้มาแบบง่ายๆนะจ่ายเงินเหมือนกันแต่เราคิดว่าจะเกิดประโยชน์อย่างที่ท่านองค์ขมูลตรีท่านมอบหมายมอบฝังมาให้เนี่ยะอันนี้ก็คือเงินหลายๆคนจำนวนหนึ่งแต่เอาของท่านเป็นหลักเอาจุตุปัจจัยของท่านเป็นหลักที่ ได้ทํา MP3 ของหลวงตาของหลวงตามหาบัวทั้งหลักใจด้วยแล้วก็ทำมเทศนาขององค์หลวงตาด้วยทั้งหมด10แผ่นที่เอาที่เราทํามาแล้วก็ของหลวงพ่อที่มาแจกใายงานกระถินนี่แหละแล้วก็ทําเป็นกระเป๋าที่กระเป๋ารวบรวม MP ็สด้วย แล้วก็พร้อมกันเมื่อวานอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าพวกเราได้ไปชุมหารือเกี่ยวกับตั้งมู ล, ล, ลนิธิณศีระวันวิริยะณศีรวันไอ้คำว่าเป็นคุณพ่อของท่านองค์ขมนตรีออกชื่อคุณพ่อของท่านท่านรละลึกถึงพระคุณนะท่านองค์ขมนตรีท่านลำลึกถึงพระคุณอของท่า น, เ ห, นเห็นไหมเมื่อท่านอยู่กับคุณแม่ของท่านท่านไปอยู่นุ่นจังหวัดชนบุรี ดูแลแม่ของท่านเออเหมือนกับเด็กดูแลแม่อ่าอย่างนั้นดูแลแม่พาไปเออซ็อบปิ้งบังนั่งห่างหางดูสังเกตไม่ท่านไม่ให้ท่านหกล้มท่านดูอย่างปณิบัติยงแม่ของท่านหาได้ยากท่านองค์ขบนตรีเอออมุทท่านอย่างนั้นอายุแม่ของท่านไม่ถึงร้อยกว่าปี อยู่แม้100ร้อยกว่าปีท่านจึงได้มรณะท่านก็จัดการถูกต้องจากท่านท่านก็เนี่ยท่านมองเห็นอย่างมองไม่เห็นอย่างอื่นที่พุทธศาสนาที่จะเจริญรุ่งเรืองเพราะท่านคุณพ่อของท่านปลูกฝังอุปนิสัยของท่านมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กท่านก็มองเห็นพระคุณของพุทธศาสนาท่านจึงดำเนินการต่อ เมื่อวานทั้งพวกเราก็ได้ไปชุมหารือกันตั้งเป็นมูลนิธิวิริยะเราประเดิมเอากองทุนมาประเดิมหนึ่งล้านบาทกองกองทุนนี้นะแล้วก็ฝากบัญชีเข้าไปอีกนั่นะอันนี้เราจะดำเนินโดยคณะกรรมการทั้งหมดสิบห้าคนพระสิบโยมห้า แล้วก็ที่เป็นที่ปรึกษาอีกที่ปรึกษาอีกสี่สี่หรือหนะ้าน่ยหลวงพ่อก็จำนั่นที่ปรึกษาเอกค่ยๆว่าจะทำให้เป็นระบบระเบียบแล้วก็พร้อมกันเราก็จะตั้งอาคารนะปีนี้นะคณะจต่ายญาติโยมลูกหลานจะตั้งอาคารหอธรรมขึ้นมาอีกหลังหนึ่งเคียงคู่กับห้องสมุดนั่นแหละเราจะเก็บ MP3 ส ขององค์หลวงตาและก็ธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์อย่างที่จะเกิดประโยชน์อย่างที่ได้พูดนะทั้งหนังสือด้วยทั้ง mp3 ด้วยทั้งฮาร์ดดิสทั้งวีดีวีดีโอวดีโอภาพภาพและเสียงขององค์หลวงตาเพราะหลวงตาท่านบอกไปแล้วท่านเทศไปแล้วท่านจะไม่กลับมาพูดอีกแล้วท่านจุตินิรพานไปแล้วพวกเรา ควรจะรักษาไว้ให้ดีที่สุดเพระท่านหลวงพ่อจึงได้ทำสร้างอาคารขึ้นมาในเมื่อได้เทศนาหรือว่า MP3 มพีสดีวดีขององค์หลวงตาแล้วก็จะมาเก็บไว้ที่นี่ส่วนหนึ่งอยู่ที่วัดป่าบ้านตานั้นส่วนหนึ่งถ้าเก็บไว้ที่วัดป่าบ้านตาแห่งเดียวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นไฟไหม้หรือมีปัญหาแปลว่าก็จะจบไปเลยเพราะว่าเก็บไว้ที่เดียวเพราะฉะนั้นควรจะกระจาย เก็บหลายหลายแห่งเก็บถ้าเป็นไปได้แต่หลวงพ่อดูดูแล้วนะถ้าเรามีทุนเนี่ยนะทุนกับมูลนิธินี่นะอาจจะทําถวายหลวงปู่บุญมีชุดหนึ่งหลวงปู่ลีชุดหนึ่งเลขคูบาลจากน้องนุ่งทั้งหลายที่เป็นวัดที่มีหลักแหล่งที่มีที่เก็บได้เราควรจะทําถวายถวายแต่ไหวชุดหนึ่งก็มากเหมือนกันนะที่หลวงพ่อทําทํำในประมาณ2องแส เกือ <S an> บส0มแสนเหมือนกันชุดหนึ่งเพราะดีวีดีอย่างเดียวมีเสียงและภาพด้วยนะประมาณ45้ก้อนก้อนละ6 0พันกว่าบาทนะอันนี้ก็คือตรงพ่อจะทำแล้วอีกอย่าง น, นึเสียงเทปแบบไฟเทปอีกเสียงเทปอีกอันนั้นประมาณสองหรือสมก้อนออก็ราคาก็เท่าเ่ากัน เ, เพราะว่าเทปบรรจุได้มากกว่า ทามีเสียงมีภาพด้วยเนะีเปืองเปืองก้อนนี่แหละอันนี้ก็คือเรากําลังจะทําที่เก็บธรรมเทศนาเพราะหลวงตาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าท่านจุตินิพพานไปแล้วท่านไม่ได้ไม่กลับมาพูดอีกแล้วเพราะฉะนั้นที่ท่านพูดแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์มองเห็นแล้วเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อศรัทธาญาติโยมเราควรจะเก็บไว้ให้ใหเป็นมรดกเมื่อเราได้ ดื่มน้ําใสสะอาดออรสดืดสนิทมีประโยชน์อย่างมากที่เรามองเห็นแลามีประโยชน์อย่างมาก เ, ออเราก็ควรจะรักษาให้เป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลังนานเท่านานเท่าที่จะนานได้ออไม่ใช่ว่าเร า, เราทานเสร็จแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าเราปล่อยทิ้งไปไม่ใช่อย่างนั้นเรามองเห็นคุณค่าควรจะ เก็บรักษาและให้สืบทอดไปนานเท่านานเพราะเป็นคุณงามความดีศีลธรรมจริยธรรมภาคปฏิบัติจิตตภาวนาหาได้ยากในยุคปัจจุบันเรื่องจิตตภาวนาที่จะวิธีเดินครั้งแรกทํำยังไงเดินก้าวแรกทํำยังไงสมถะยังไงตั้งแต่เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องการเสียสละแต่แลเรื่องภาวนาแล้วก็เรื่อง ว, วองิปัสสนาจะ ทำยังไงจะตัดกิเลยยังไงจะนอกกิเลยยังไงจึงจะมันจะไม่ขึ้นมาต่อกอนได้อีกเยหลวงตาสอนวิธีไว้ทั้งหมดใน m อ3หรือวิดดีของท่านนะเพราะนั้นควรจะเก็บรักษาไว้อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็เมื่อวานคณะในช่างก็ได้มาดูหลวงพ่ออนุมัติให้ต่อเติมสาราหลังนี้นะคณะทัตธาญาติยมเห็นรับผู้รับทราบเอาไว้ พอหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อปีนี้อายุเจ็ดสิบแล้วหลวงพ่อไม่มีโอกาสที่จะหนุ่มไปข้างหน้ามีแต่จะแก่ไปข้างหน้าที่จะเดินขึ้นมาที่ศาลาหลังนี้นะ่ะบันไดทั้งห้าหกเจ็ดขั้นคงจะขึ้นได้ยากต่อไปก็คงจะนั่งเดินมาแล้วก็ต่อไปก็คงจะนั่งรถเข็นถ้าไม่ตายง่ายนะถ้าตายง่ายแล้วก็จบจบไปเอออันนี้เราเผื่อว่าถ้าเผื่อเราไม่ตายง่ายหลวงพ่ออินไม่ตายง่าย ก็คงจะมานั่งฉันจังหันจุดใต้ถุนศาลาหลังนี้คงจะขึ้นมาข้างบนไม่ไหวเพราะนั้นจึงได้ให้อนุญาตให้ต่อเติมศาลาหลังนี้ต่อเติมก็ไม่ใช่ต่อเติมอื่นไกลหรอกต่อเติมชายคาเตรียมการฝนคือหลังนี้ถ้าเราอยู่ข้างบนจต่าญาติโยมมาอยู่ข้างบนอย่างน้อยก็มีการเลี้ยงอาหารข้างล่าง มันก็ยังมีได้ชั้นได้ใช้ชั้นบนแนละชั้นล่างแต่ในโล เ, เราลงไปใช้ชั้นล่างทั้งหมดใครจะมามาใช้ชั้นบนได้ล่ะก็ต้องใช้ชั้นล่างชั้นเดียวเพราะนั้นเราก็ต้องขยายปีกออกอีกแต่พื้นกับพื้นเก่านั่นลหละเรามุงออกไปให้ให้ให้กว้างขึ้นต่อไปภายภาคหน้าเราจะใช้หิหนล้างแล้วกระเบื้องเราก็ค่อยว่ากันต่อไปภายภาคหน้านะ คือสรุปแล้วคือให้ได้ใช้ศาลาหลังนี้ชั้นล่างให้กว้างขวางขึ้นแต่ขณะที่เราทําศาลาหลังนี้ก็คงออกไปฉันศาลาข้างนอกนะแต่หลวงพ่อก็ได้ปะบอกพูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบอกว่าศาลาข้างนอกของเราเนี่ยก็ทุกวันพระนะควรจะไปฉันทุกวันพระที่ศาลาข้างนอกเผื่อว่า เราจะได้ดูแลถ้าเราทำขึ้นมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ฉันข้างนอกนี่ก็ทำให้สลาของเราเศร้าหมองเพราะไม่มีใครดูแลเพราะนั้นควรจะดูแลไปฉันทุกวันพระอย่างวันพุธนี้ะนะเป็นวันพระ เ, เดือนส1เอ็ดแผ่น เ, เราก็ควรจะออกไปฉัน อ, ออกไปฉันข้างนอก ต่อไปแล้วก็ทุกวันพระแ่ะออกไปฉันข้างนอก ต, อต่อไปถ้าว่ามีศรัทธา ญ, ญาติโยมม า, มากเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์อาจจะออกไปฉันทางนู้นก็ได้นะดูเหตุการณ์ถ้าเราไม่ไปใช้เลยหลวงพ่อก็คิดว่ามันคงจะเศร้าหมองเหมือนดูแลอันนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรมากมาหรอก ของอยู่ทางโน้นกระพรอมอยู่แล้วก็ไปชั้นอะไรก็เก็บทั้งโน้นทําความสะอาดทางโน้นแล้วก็จบนะอยู่ข้างนอกนะแต่ทําไม่มีอะไรอยู่ข้างในเดินไปข้างนอกก็ยังไงอยู่เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงอนุมัติให้ต่อปีกศาลาออกอีกเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานนะเนอันนี้ก็คือพูดทางด้านวัตถุ แต่ทางด้านนามธรรมเรื่องศีลธรรมเรื่องจริยธรรมอันนี้หลวงตาท่านบอกบอกกล่าวที่ท่านเคยมาวัดของเราท่านบอกว่าวัดของธรรมอินเนี่ยวัดป่านาคาน้อยเนี่ยเหมาะแก่การบาเพ็ญหรือสสแสวงหาความสงบได้เพราะว่าในช่วงหนึ่งท่านมาหลวงพ่อเองได้นำองค์ท่าน ไปนั่งรถไปดูทางหลังวัดไปดูที่เขาสร้างกำแพงเขาทำกำแพงเพอท่านไปเห็นท่านก็คงจะเข้ามาเห็นอือสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่กว้างขวางเป็นสถานที่สงบสงัดเหมาะแก่การปฏิบัติการภาวนาเนี่ยนะท่านจึงบอกใน MP3 สเราก็ได้ยินหลายม้นเหมือนกันเพราะนั้น ในวัดของเราดูๆแล้วก็เข้าไปข้างในมันก็พันกว่าไร่นีใช่พันกว่าไร่กุฏิที่พักที่สวัสวงหาความสงบเราจะสะแสวงหาตรงไหนอย่างไรมีเวศตุกนกตรงไหนอย่างไรได้ทั้งนั้นถ้าผู้ต้องการภาวนาเทาไถร่เวสเสียจะพูดต้องการคุยกันถ้าคุยกันแล้วเอเดินไปหากันยากหน่อยเพราะมันกว้างนะมันจุคนคุยกันต้องเดินจุใกล้ๆกันใหเข้า หน้าต่างหลังนี้กันหน้าต่างหลังนั้นโผคอออกหากัารคุยกันนะอันนั้นแปลว่าสะดวกแต่ถ้านักภาวนาแล้วนะันกส่อแสวงหาความสงบแล้วต้องอยู่ห่างกันเปลีกยนวิเวกเดินโยกลมตามลําพังนั่งภาวนาตามลําพัง เ, เพื่อหาทางพ้นทุกข์เพื่อหาความสงบนี่แหละ อันนี้ก็อยากจะให้พวกเราพระเนนของพวกเราพระพวกเราทุกองไม่อยู่แล้วก็ให้สแสวงหาความสงบเมื world, ่อจิตใจสงบแล้วนั่นแหละจะเป็นกำลังหลักของพระพุทธศาสนาไม่ใช่พวกคุยกันสัพเพเหระจะเป็นกำลังไม่ใช่นะอันนั้นเป็นตัวทำร้ายทำลายพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาต้องการปรีกสงบ เห็นไหมพระพุ years. Years. Years. Grasp, um, ทธเจ้าเป็นตัวอย่างท่านไปอยู ems. ่ตามลำพังถึงหปีจากนั้นพวกปัญจวคีร์ทั้งห้าตามไปแต่ว่าตามไปปีไหนอันนี้ในในพระไตรปิฎกท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ตรัสไว้ไม่ได้บอกเอาไว้ตามไปทีหลังแต่พอตามไปทีหลังก็เถอะแต่ตอนที่โค้งสุดท้ายเนี่ยปัญจวคีร์ทั้งห้าก็เห็นสิทธะ เ, เกิดความเบื่อหน่ายที่พระพุทธเจ้าที่ฉันปรตาหาน อ, อดภัคยาหารถึง4ี่สิบเ้าวันตัวผอมปัญจวัคคีั์แต่งากเอาละขาวนี่แหละถ้าเป็นนักมวยก็ว่ า, าลูกพี่ของเราสู้เต็มที่ละข้านี่ให้อดอาหารอย่างเอาอกกริดแล้วเลยปัญจวัคคีก็ตาไม่กระพริบคงน็อกได้คงเอาชนะได้ตามหลักสูตรที่ท่านต้องการเย แต่สิทธัตถะเดินไปแล้วถึงอดภักยาหารถึงสี่สิบเก้าวันโอ้ไม่ใช่ทางการทรมานกายไม่ใช่ทางไม่ถูกทางท่านถอยกลับมามาสวยภักยาหานพอมามาสวยภักยาหารนั่นน่ะเออพวกลูกน้องปัญจวคีทั้งห้าที่อยู่ข้างเวทีเฮ้โอ้คงไม่ได้ละ สิตตะกับมาเป็นคนเวียนมาเป็นคนมากๆเสรแล้วคลายความเพียนเวียนมาเป็นคนมากๆแล้วมาสันถวยพักยาหารแล้วไปเล่าหนนะีปันจววคีทั้งห้าก็เลยหนีจากต้นโพนะพุทธกยานะไปอยู่ปะเมืองพารานสีกระหางกันไกลพอสมควร อางนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะท่านไม่ได้ชวนปัจจวบคีมทั้งห้ามาอยู่ด้วยเนี่ยท่านมาตามลําพังท่านจะไปห่วงหาอะไรทําไมถ้าเร่งภาวนาของท่านดูของท่านจุดที่ท่านจะต้องการท่านจะทํำยังไงเออิธีการทําจะทํำยังไงไปศึกษากระดาบทในละแวกนั้นลาราบ ท, าาาบทอุตตะกาดาบทกบเพียงสมาธิไม่ใช่ไม่ใช่หัวทางดูดพ้น เพียงแต่ว่าเหมือนกับเอากระดานไม้กระดานหรือว่าหินทับหญยาตนเองยังไม่ได้ถอนลากถอนโคนลากโคนมันอยู่พอเอาแผ่นกระดานหรือแผ่นหินขึ้นมาญยาณแล้วก็งอกเงยขึ้นมางามยิ่งกว่าเก่าอีกนี่อันนี้ก็คือสมาธิทําจิตใจให้สงบให้นิ่งระงับกิเลสไว้ชั่วคราวคือไม่ให้กิเลสเตลิดเปิดเปิงเกินไปใครว่าจิตให้นิ่ง อันนี้ก็คือพระพุทธองค์มองแล้วจัดนักพระองค์มาพิจารณาตามลำพังมาอยู่ตามลำพังพระองค์ในวันเดือนหกเพลนอย่างที่หลวงพ่อย้ำแล้วพูดอีกว่านั่งกัดศมาที่วันเดือนหกเพลนตอนหัวคำท่านจึงจิตพระไทยใจของพระองค์รวมสงบพอถึงเที่ยงคืนพอจวนสว่างก็ได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญา ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราไม่มาเกิดอีกแล้วสิ่งที่จะมาเกิดท่านเราถอนหลากถอนโคนออกแล้วถอนออกหมดแล้วราคาราคาโทสะโมหะออกจากใจของเราแล้วเราบมดที่สุดแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเนี่ยเมื่อท่านได้ตัดรู้ท่านก็เสวยวิมุติสุขในความชนะของท่านเหมือนกับท่านขึ้นบนเวที ต่อสู้กับกิเลสน็อกกิเลสลงจนไม่มีประตูสู้เลยกิเลสตายเลยพอตายกันโอ้เราไม่มีใครที่จะเป็นคู่แข่งเราอีกแล้วเราชนะแล้วไม่มีไม่มีคู่ไหนที่จะมาสู้กับเราอีกแล้วนะเราเป็นหนึ่งในโลกแล้วหนึ่งในอมตะธาตุอมตะธรรมแล้ว น, ะนี่พระ อ, องค์ก็ได้สวยวิมุติสุขอยู่โครนต้นโพเจ็ดวันต้นี้โครดคือต้นไทรเจ็ดวัน เลยที่สามุจจรินเจ็ดวันท่านพระองค์เสวยอยู่ทั้งสี่ห้าอาทิตย์นะถือเสวยความสุขนะ่ะคลายๆเขาว่าเออเรามีความสุขจริงมองไปที่ไหนไม่มีอันไหนที่จะจ ะ, จะเอาอีกจะชนะอีกจะบําเพรนอีกแล้วจบแล้วหลักสูตรนี้จบแล้วพระอนุทร a t h ม m m a Samphapothiyan บริบูรณ์เลยไม่มีอันไหนที่จะยิ่งกว่านี้ไปอีกแล้วนะ จากนั้นพอได้สามห้าหกอาทิตย์เจ็ดอาทิตย์แล้ว เ, เราจะไปโปรดใครก่อนนะเนะ่ท่านก็นึกถึงดาบ ท, ทั้งสองพอดาบ ท, ทั้งสองเสร็จแล้วทั้งดาบทพึงตายไปหมดัดหมาดเร็วๆนี่เองหมดแล้วเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าไม่โปรดคนตายนะคนคนไหนตายแล้วแปลว่าจบท่านก็มองไปอีกเราจะไปเอาทำให้ใครฟัง ท่านยังโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเห็นปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก่อนที่ท่านจะไ ป, ปโปรดอันนี้ก็น่าคิดอยูเหมือนกันน่าสนใจคือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธนะิญาณในวันนั้นเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเป็นธรรมะที่ว่าทวนกระแสโลกทั้งหลายเขาเดินไปลงไปทางต่ําคือไปทางกิเลสความรักสวยรักงามรักราคะโทสะโมหะ อยากได้อยากรวยอยากสวยอยากงามอยากมั่งอยากมีอยากมีเสื่อเสียงโด่งดังกิเลสมันคิดไปอย่างนั้นอันนี้คือไหลไปทางต่ําแต่พระพุทธเจ้าท่านทวนกระแสขึ้นมาร่างกายไม่ใช่ของเราร่างกายในแตกตายสลายร่างกายปฏิกูลร่างกายเป็นอสุภะร่างกายในไม่ยิ่งยงร่างกายมีจุดจบของชีวิตร่างกายไม่ใช่ของเราขนาดร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วอย่างนี้ ยศถาบรรดาศักดิ์ะความร่ํารวยล่ะมั่งมีสีสุขล่ะเอามาให้ใครเอามาให้ร่างกายขนาดร่างกายยังไม่ใช่ของเราเราจะไปเอามาได้ยังไงเนี่ยพระพุทธองค์ท่านมองมันมองทวนก ร, ระแสเพราะนั่นเอเราที่ได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันนี้เนี่ยเราจะไปพูดให้ใครฟังมันจะไม่เปล่าประโยชน์หรือพระองค์ก็น้อยพระไทยให้ใครๆวบบ ทอพระไทยไม่ใจน้อยพะไทยทอพะไทยเราจะไปพูดให้ใครฟังธรรมะที่เราได้ในวันนี้พระองค์ก็นึกไปแล้วก็ยนงว่ามีพรมพรมคือชั้นอยู่ชั้นพรมเทวดาพรมรู้วารจิตของพระพุทธเจ้าโอ้สิทธพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าเนี่ยทอพะไทยเสร็จแล้ว คงจะไม่สอนโลกแล้วคงจะตัดสรุปแล้วก็คงไปนิพพานเลยทิ้งพวกเราไม่ได้พวกเราควรจะไปกราบอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้มกับเทวดาในจักรวาลหนึ่งกันมาอาราธนาอยู่พรหมมาจะโรกาทิปติสัมปติขอพระพุทธองค์จงมีเมตตาต่อสรรพสัตว์เพราะว่าผู้มีเมตผู้มีบา ร, รมีมากผู้ที่สั่งสมบา ร, รมีมามากมีทุลีน้อยผู้ที่จะได้ รู้แจ้งเห็นธรรมจากพระพุทธองค์มีอยู่อขอพระองค์ปโปรดแสดงธรรมให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเทินด้วยพระเมตตาพระองค์ก็เออเราเป็นใครเราเป็นมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมนุษย์พูดมีทุลีผู้มีรรมีบารมีมีอยู่ในโลกเอา้าเราควรจะปโปรดบุคคลที่มีศรัทธามีบุญบา ร, รมี ท่านจึงมองเป็นดูดาบทดาวบทจะเป็นผู้มีบารมีมากน่าเสียดายท่านพ่อปุณได้ไปเทศให้ฟังเพราะท่านสมาธิของท่านเก่งอยู่แล้วพอเดินวิปัสสนาเท่านั้นแหละท่านก็จะได้บรรลุพระอรหันต์ทีเดียวเลยแต่ท่านก็มองเป็นบรรจวคีทั้งห้านะอย่างที่ท่านได้เป็โปรโดบรรจวคีทั้ง5ที่เมืองพาราณสีนะ นี่แหละคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าไปก็เหมือนวิทยาศาสตร์มีที่ไปมีที่มาเออมีกฎเกณฑ์ทํำยังไงขั้นตอนทํำยังไงที่จะไปที่จะพ้นทุกข์ในวัฏฏะชงสารสมาธิเป็นยังไงไม่ใช่พูดหล่อมหล่มแรงแรงนะพุทธศาสนาเนะี่ยนั่งสมาธิเราจะจะพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดหร้อตายแล้วสูญพระพุทธองค์ก็บอกว่าวิธีพิสูจน์นั่นคืออะไรนั่งสมาธิ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อจิตใจของเราอยู่กับตัวเองหยุดเป็นสมาธิจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้มองตัวเองรู้ได้โดยตนเองว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอ่านกันนามธรรมกับรูปธรรมนามธรรมคือจิตใจรูปธรรมคือร่างกาย หลวงพ่อหรือยุคนี้สมัยนี้คนใช้รถมากนะแต่ยุทธของหลวงปู่หลวงตาพ่อแม่คูบายจานฟังเถอะในเอ็มพสามในเทปไม่มีหรอกแต่หลวงพ่อนี่เน้นให้ฟังเลยบอกว่าเมื่อจิตสงบลงไปแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดเลยร่างกายเหมือนกับรถติดจิตใจเหมือนกับคนขับรถรถคันนี้จะไปได้ต้องอาศัยคนขับคนขับโคดคือ น, นามธรรมนั่นแหละ จะเป็นผู้ขับเคลื่อนร่างกายถ้าน้ำมะธำออกจากร่างไปแนะล้วรถคันนี้หมดสภาพเหมือนกับโซเฟอร์ออกจากรถนะรถมันก็จอดอยู่อย่างงั้นน่ะนั่นแหลถ้าจิตสงบแล้วจะเห็นได้นะจะรู้ได้ตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญนั่นะโซเฟอร์นะั่นแหะไปหาเกิดที่อื่นแต่รถคันเนี้ยตายแน่ๆเอาไปเผาไฟทิ้งแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นแต่โซเฟอร์ออกจากร่างแต่ข้อสําคัญนะโซเฟอร์นะ ได้จะออกจากร่างนะ่ยมีเงินในกระเป๋าหรือยังได้เตรียมเงินไว้ไหมก่อนที่รถคันนี้จะพังเนะ่ยเกิดขึ้นมาแล้วซื้อรถพอซื้อรถคันนี้แล้วนะมีแต่ขับรถตลอนตะลอนไม่เชื่อบาปเชื่อบุญไม่เชื่อนรกสวรรค์อีกต่างหากมีแต่ทํามาหาเสี่ยงชีพว่าตัวเองฉลาดเออหายศารมหาศักดิ์ใส่ตัวเองหาเงินหาคําใส่ตัวเองหลวงพ่อพูด้วยเลยว่าถึงพวกท่านทั้งหลาย จะหาเงินครับสมสัตว์บัตรเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็เถอะมากกว่านั้นก็เถอะเอในจักรวาลเป็นของของของเราคนเดียวก็เถอะออาหารแต่ละคําเนี่ยเป็นคําละล้านเออเกิดละร้อยล้านอาหารอย่างดียาก่ยาในโลกจักรวาลอันไหนดีที่สุดเอามามากิจมามาดูแลรักษาผ้านุ่งห่มก็เหมือนกันผ้านุ่งห่มอย่างดี ที่พักพาอาศัยบ้านหลูหราโออาอย่างดีสร้างให้ร่างกายอยู่เมื่อร่างกายในเข้าไปอยู่ในบ้านที่หลูหราโออาอยู่ไปเถอะห้าหกสิบปีแล้วกันเดี๋ยวจะเห็นผมขาวเดี๋ยวก็จะเห็นฟันหลุดเดี๋ยวจะเห็นตาฝ้าฟางเดี๋ยวก็จะเห็นหูตึงเดี๋ยวก็จะเห็นหนังเหี่ยวผลในส่วนก็เห็นแต่นอนใ่เตียงลืมตาลุกกระดิกๆๆไม่ได้ พลที่สุดจะจบนี่แหละเลี้ยงร่างกายถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะมันเพียงแค่นั้นแต่วาจิตใจที่ออกจากร่างนั้นตัวนั้นพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญอย่างมากเรื่องเรื่องใจเพราะนั้นให้พวกเราสนใจเรื่องของใจเรื่องนา ม, มาธรรมเรื่องนา ม, มาธรรมจะสนใจยังไงเนี่ยให้ศึกษาเพราะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบอกตรงๆอยู่แล้ว ให้ดูเรื่องนา ม, มธรรมให้ดูโซเฟอร์มากกว่าร่างกายร่างกายในเป็นรองใจเป็นใหญ่มโนปุพังคามาธ ร, ร ม, มามโนเสถามโนมายาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละท่านวดใจในเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่กว่าร่างกายแต่พวกเราทุกวันนี้ไม่ได้รับการศึกษา เราก็ถือว่าร่างกายเนี่ยเป็นใหญ่มีหน้ามีตามีเหตุมียศมีจดถานบรรดาศักดิ์ในชุมชนสังคมอันนี้เราก็เลยถือว่าร่างกายเนี่ยเป็นเป็นหน้าเป็นตาแต่ตามจริงในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจนะเป็นใหญ่ขอให้พวกเราคณนะสัตยาญาิโยมลูกหลานเนะี่ยฝังฟังเอาไว้นะเพื่อเตือนรู้เพื่อการศึกษาอตอนนี้ไปพระสงฆ์จ้าหนุโมทนาให้พร